ก็เราได้สวดสธิปัฐานสูตรต่อเป็นธรรมานุปัสสนาว่าได้เรื่องของอริมักมีองแปดนะซึ่งภูณิชาก็เป็นเรื่องของสรดุปสติปัฏฐาน4การสวดบทสุดท้ายพอดีนะก็ในเรื่องของ ปริญญาต์เนี่ยเราวางไว้เพื่อเป็นแผนที่ให้เราไม่หลงทางอะไรตัวสอบว่าสิ่งที่เราปฏิบัติกับสิ่งที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันแค่ไหนเรียกปริยัาตปฏิบัติปฏิเวทซึ่งถ้าหากว่าเราได้ตรวจสอบอย่างนี้เรื่อยๆมันก็มีโอกาสผิดพลาดน้อยแต่มันไม่ได้เหมือนกันหมดทีเดียวนะแผนที่เหมือนแผ่นกระดาษ แต่เราจะไปเดินในแผนที่ไปถึงปลายทางไม่ได้เราจะเดินทางจริงนะเหมือนกันการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติจริงกับปริยัตินั้นบางทีคนละเรื่องแต่ว่าแผนที่นั้นเป็นลายแทงซึ่งมันก็มีความจำเป็นอันนึงเหมือนกับการเดินสมุดสมัยก่อนเนะี่ยเขาไม่มีแผนที่เขาก็จะใช้ดวงดาว เป็นเป็นเข็มทิศไปตามดวงดาวว่าจะไปทางทิศไหนแต่ไม่ไ้หมายความว่าจะเอาเรือไปถึงดวงดาวแต่อาศัยดวงดาวเป็นเป็นบอกทิศทางนะนั่นหมายความว่าเราก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติแผนที่คือปริยัติเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปตามนั้นแต่ว่าเราดูเป็นหลายแทงนะเพื่อมาให้หลงทิศหลงทาง ดังนั้นเองก็ในส่วนของการปฏิบัติที่เราทำกันมาสี่ห้าวันเนี่ยก็ถือว่าเข้มพอสมควรนะเข้มขนาดไหนขนาดว่าเมื่อคืนนี้หลวงพ่อเทียนมามาสอบอาลมให้ก็เอันก็คงจะเป็นห่วงอะไรบางอย่างนะนะก็ใน ไปสูบการเขาทำมาเองก็รับรองได้ว่ามันมีทั้งผิดทั้งถูกล้มลูกคุ่คานมาแล้วก็ได้รับแก้ไขมาตลอดจนกระทึงมาช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการปล่อยวางและการผ่อนคลายที่เราต้องการนะไม่ว่าร่างกายและจิตใจถ้ามาถึงจุดปล่อยวางและการผ่อนคลายร่างกายจิตใจก็ถือว่าถูกทางละไม่มีอะไรที่ต้องทุกต่อไป อะไรที่เป็นเหตุให้เราต้องอไม่ปล่อยวางไม่ได้หรื อ, อผ่อนคลายไม่ได้ะแะ ต, ต่อเป็นภาษาที่เป็นรูปธรรมก็คือความเกร็งความเครียดความตึงความบีบคั้นความรัดลึงมากเกินไปเพราะอะไรเพราะความอยากนะความอยากเป็นเหตุให้เราต้อง ตั้งใจมากเกินไปตั้งใจมากเกินไปเกิดการอาการตึงการเครียดกัน<ม>เพ่งการจ้องกันบีบบังคับการทรมานตนเองในรูปแบบต่างๆแต่พอเรามาศึกษาทะลุทะลวงถึงความจริงของความอยากว่ามันคืออะไรมันถึงมีอานาจมีอิทธิพลมากขนาดนั้นที่ทำให้สัมพัสสัตว์ทั้งหลายต้องตกเป็นทาสของมัน เราก็พยายามสืบเสา ะ, ะคนมาเรื่อยๆในที่สุดเราก็มาเห็นต้นทางของมันนะที่เราลําดับไปเมื่อวานก่อนแล้วต้นทางของตระหนามันคืออะไรก็คือความรู้สึกสบายใช่ไหมแต่ความรู้สึกสบายเนี่ยมันก็เป็นได้ทั้งสองทางเป็นทั้งที่สิ้นอยากและเพิ่มอยาก เป็นเวททางเพิ่มอยากกหมายความว่าเราไปเสพความสบายนั้นแล้วเป็นการสิ้นอยากหมายความว่าความสบายมีอยู่แต่เราไม่ต้องเสพนะนี่เดียวตรงนั้นเองแต่การที่เราทั้งหลายเนี่ยมีอวิชชามาตั้งแต่ที่เราเกิดเป็นต้นกําเนิดชีวิตเรามาเนี่ยเพราะอาวิชชาเพราะความไม่รู้ของบรรพบุรุษของเราเนี่ยจึงทําให้เราได้เกิดมาต้องมาเสวยทุกขเวทนาต่างๆ ในการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เราจะต้องรับเราก็ได้รับวิบากกรรมมนั้นวิบากกรรมที่บรรพุรุษสร้างมาคือความไม่รู้จึงทำให้เราเกิดมาแต่เมื่อเกิดมาแล้วเราก็จะต้องมาเจอสภาวะทั้งสองด้านคือทั้งความสุขความทุกข์ความสบายไม่สบายที่นี่เราก็จะต้องเลือกว่าเราอยู่ด้านไหนจะต้องอยู่กับสุขหรือจะอยู่กับทุกข์หรือจะต้องอยู่ทั้งสองอย่าง ถ้าอยู่กับสุขเราจะอยู่แบบไหนจะอยู่แบบทุกข์ถึงจะอยู่แบบไหนถึงจะอยู่กับมันได้เนี่ยอันนี้เองถึงเราได้มาขอนข่ายปฏิบัตินะโดยอาศัยแนวคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักเพราะท่านเป็นมหาบุรุษที่ได้ค้นพบเส้นทางนี้มาก่อนนะเราก็ท่านก็นามาเปิดเผยมาจาแนกแจกแจงมาบอกมาแสดงมาตั้งไว้เป็นหลักนะที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมนิยาม เมื่อท่านมาบอกมาแสดงมาตั้งหลักให้แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการดำเนินตามอย่างไรถึงจะถูกต้องตามที่ท่านอบอกเอาไว้อันนี้เป็นหน้าที่ของเราละเราก็จึงมาอบอกกันแต่ประการแรกที่สุดเราจะต้องมีหลักสองประการนะที่ได้กล่าวไปวันก่อนหนึ่งคือจะต้องมีกาลยนานมิตรได้พบครูบาอาจารย์ ได้พบผู้ชี้ทางเป็นอันดับแรกนะหรือได้พบสื่อที่จะทำให้เกิดอาการชี้ทางขึ้นในสมัยนี้อาจจะไม่ต้องพบครูบาอาจารย์เ <c oughs> พราะเรามีสื่อหลายตัว <c oughs> ที่ชี้นำเราได้เช่น YouTube ก็ดีซ d ก็ดีวิดีโอก็ดีเว็บไซต์หรือสื่อที่ผ่านมาจากทางใดก็ดีถ้าเรามีสติปัญญามากพอที่จะ ใช้ตัวนั้นให้เป็นสื่อนําทางได้นะแม้แต่การศึกษาเดี๋ยวนี้ก็ศึกษาทางวิดีโออาจจะสอนอยู่ที่เดียวแต่ว่านากระจายไปทั่วโลกอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นสื่อการสอนแบบนี้ก็เป็นกิจกาณมิตรได้แต่ว่ามันไม่ได้ตัวต่อตัวตรงที่ว่าเราไม่สามารถจะซักถามตรวจสอบได้ทันทีเนี่ยมีข้อเสียบอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามีสตีปัญญาสามารถที่จะซักถามตรวจสอบ หรือมีไม่ต้องมีการทักสามโแต่สามารถได้คําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็ถือว่าเขามีสติปัญญามากพอที่จะใช้สื่อให้เป็นกัลยาณมิตรก็ได้นะมีทางเลือกอยู่อย่างในกรณีของการศึกษาทั่วไปแบบสากลเนี่ยต้องมีครูเป็นกัลยาณมิตรครูมีครูบาอาจารย์แม้จะเป็นยาทูปัญญาเอกก็ตามฉันได้ก็ดีทางด้านจิตวิญญาณก็เหมือนกันจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่ฉันใช้ว่ากัลยาณมิตร ผู้ริเจ้าเองก็ตรัสให้ความสำคัญว่าการยานมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์เป็นทั้งหมดของเรื่องที่เราจะเข้าถึงว่างั้นเถ อ, อะท่านก็เลยให้ความสำคัญซึ่งพระนนได้ปรพไว้ก่อนท่านได้ตรัสเรื่องนี้พระนนประรบว่าว่าการยานมิตรเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตของเราผู้ริเจ้าบอกไม่ใช่เป็นทั้งหมดทีเดียวนะ แต่ว่าไม่ใช่กิริยามิตรเท่านั้นแต่มีกิริยาณสหายและมีสัมปวังกตาที่ได้กล่าวได้ละเอียดไปวันก่อนว่ากริรยามิตรหมายถึงครูอาจารย์ผู้มีประสบ ก, การณ์มาก่อนเราหรือมิตรของเราที่มีประสบ ก, การณ์ในการปฏิบัติมาก่อนแล้วก็นํามาบอกกิริยาณสหายคือเพื่อนร่วมปฏิบัติอย่างที่เรามาร่วมกันเก้าคนสิบคนเป็นกิริยนานสหาย กิริยาณนะคือหมายความมิตร ด, ดีสหายดีมิตรผู้ประเสริฐมิตรผู้เลิศนะอย่างนี้เขาเรียกเป็นกิริยาณนะมิตรกิริยาณนาะสหายคือสามารถซัพพอร์ตสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เดินทางไปอย่างปลอดภัยนั่นเองเป็นเพื่อนร่วมทางกิริยานมิตรคือครูบาอาจารย์เป็นผู้นําทางกิริยาณาสหายเนะี่ยเป็นผู้ร่วมทางนะแล้วที่ แจ้งไปวันก่อนว่ากิริยาหน้าสประวังกตาหมายถึงสิ่งแวดล้อม4ประการหนึ่งมีที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการปฏิบัติเรียกว่ า, าวาสปายะ2มีอาหารวิถีบาต ท, ที่เอื้อต่อการปฏิบัติไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปไม่แสลงาสามมาีบุคคลบุคคลผู้นำพา หมายถึงกิริยามิตรกิริยาสหายและผู้ที่ไปมาหาสู่หรือผู้ที่อยู่ร่วมในนี้เป็นตุนที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจเป็นกิริยาเป็นบุคคลและบุคลาสปญญายะอันที่สี่สิ่งเวลามาที่สี่ก็เรียกธรรมาสปญญายะคือวิธีการที่เราปฏิบัติเนี่ยมันเอื้อต่อการที่จะไปสู่เป้าหมายได้เพราะเราแต่ละคนเนี่ยมีมีสติปัญญาไม่เท่ากัน มีความสามารถไม่เท่ากันมีกําลังไม่เท่ากันดังนั้นเราก็จะต้องเลือกวิธีการหรือเลือกทำที่เหมาะแก่กําลังของเราดังนั้นในธีปรฐานสูตรท่านถึงแจกแจงเอาไว้หลายแบบนะเฉพาะเรื่องกายเนี่ยกา ย, ยานุปัสนาท่านแจงไว้ถึง6แบบแบบที่หนึ่งกระมหายใจแบบที่สองก็คืออียแบบท4แบบที่สามอิบุตรย่อยแบบที่4 ก็ทา4ีแบบที่5คืออาการ32แบบที่6ก็คืออสุภาแล้วก็แจงเวทนาไว้สเรื่องจิตไว้16กนะก็เรื่องอจิเจ้าเนะี่จิตก็16แล้วธรรมานุปัสสนาถึง40ท่ทีเดียวนะดังนั้นเองที่เราสวดไปเมื่อกี้เนี่ย ดังนั้นก็ท่านแจงเอาไว้เพื่อให้เหมาะกับปัยญาสายของแต่ละคนความสามารถของแต่ละคนแต่นี้เรามาใช้หลักวิธีการากายานุปัสนาเราใชา้อย่างละอย่างเล็ลหน่อยมาผสมประสานกันเหมือนกับกายานุปัสนาเหมือนเครื่องแกงเหมือนเครื่องแกงเครื่องแกงนี่เราจะใส่ พอดีกับแกงของเรานะแกงมากแกงน้อยเหมือนกันกายานุปัสนาเราก็เลือกเอาเฉพาะส่วนที่เหมาะกับกําลังของเรานะแกงหม้อขณะ น, นี้ต้องใช้เกลือเท่าไหร่ใช้พริกเท่าไหร่นะใส่หอมใส่พริกเกลือเกลือปริมาณอย่างละเท่าไหร่ถ้ามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีถ้ามากไปก็จะรสจัดน้อยไปก็ไม่อร่อยแต่พอดี นั่นหมายความว่าคนที่รู้จักความพอดีมองแกงหม้อเท่านี้ต้องใส่เครื่องแกงขนาดนี้ถึงจะพอดีต้องอาศัยแม่ครัวผู้ชนานํานาญนะนั่นหมายความว่ า, าบุคคลคนนี้มีกําลังเท่านี้มีสติปัญญาเท่านี้ควรจะใช้ธรรมะข้อไหนเท่าไหร่เนี่ยต้องอาศัยครูบาอาจารย์หรือกรลยาณนะมีผู้ชํานาญถึงจะจัดสภาวะหรือจัดองค์ธรรมลงไปในคนนั้นอย่างเหมาะสม อันนี้ก็มีเป็นกรเรีมิตรผู้เจ้าท่านบอกว่าเป็นท่านเป็นกรเรียมิตรถ้านไม่ได้เป็นาศาสด า, า, า, าอาจารย์ใครท่า น, นเป็นกรเรียนมิตรของเรานั้นก็เลยท่านก็เป็นผู้จัดสรรแจกแจงธรรมะให้เร า, าทีนี้เราก็จ้องเลือกทีนี้เร า, าจะเลือกอย่างไรทึงถูกต้องกับ อ, อธิยาศัยและสติปัญญาของเราเนี่ย ขึ้นอยู่กับเราเพราะฉะนั้นมีองค์ประกอบอันที่สองเข้ามาเรียกว่าโยนิโสมนัสิกานะซึ่งได้กล่าวไปวันก่อนว่าองค์ธรรมที่จะนําไปสู่อริมักได้อย่างถูกต้องมี2ประการคือ1กัจจาณมิตรสองโยนิโสมนสิการกัจจาณมิตรนี่จะดีขนาดไหนจะเลิดขนาดไหนจะช่วยเราได้5 0านตะแต่ว่าเราจะต้องมีส่วนของเราอีก 50% เรียกว่าโยนิโสมนสิการท่านหมายถึงปัญญา เราจะต้องมีปัญญาสามารถที่จะเดินตามที่ท่านชี้เอาไว้ได้อย่างถูกต้องถึง5 0า์ทีเดียวเมื่อได้สององค์ประกอบเข้าด้วยกันจะเป็น100เปเที่ว่ า, าพระนรน์นบอกว่าเป็นกึ่งหนึ่งแต่ผู้ได้เจ้าบอกเป็นทั้งหมดคือบางทีโยนิโสมณสิกานเราก็ได้จากกัลยาณมิตรแหละโดยการชี้นาของกัลยาณมิตรท่านจึงแจงองค์ประกอบทั้ง2ประการขยายเป็น10ประการ ซึ่งดูเหมือนจะไม่จําเป็นแต่ว่าเพื่อให้เป็นแนวเห็นชัดว่ามาเรื่องนี้มันมั่วไม่ได้มันจะต้องมีหลักการนั้นหมายความว่าเราเจ้าหแจนแจงว่าทั้งสองประการเนี่ยกายานมิตและโยนิสูรมนิสิการเนี่ยแจงเป็น10ได้ยังไงถ้าเรียกวิาวชาสิบนะอันที่1เลยขึ้นต้นก็คือต้องมีกายาณมิตรองค์ประกอบวิชาที่หนึ่งต้องเรียนทั้ง10วิชานะวิชาที่หนึ่งเรียกวิชากายาณมิตร และกิริยามิตรแบ่งเป็นสามอย่างที่กล่าวแล้วก็คือต้องมีกิริยาสหายและสิ่งเวดล้อมกิริสัมปวังกตาเมื่อเราได้กิริยาณมิตรที่ดีมีกิริยาสหายที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีองค์ประกอบที่สองเราจะเกิดศรัทธาเรื่องวิชาที่สองต้องเกิดศรัทธาและศรัทธานั้นต้องเป็นศรัทธาที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ศรัทธาสเปสปะอย่างที่เราเราศึกษากัน ศรัทธาอะไรก็ได้ไหวต้นไม้ไหวผีไหวสางไหวพระรูปพระเหรียญไหวเทวรูปไหว อ, องค์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ศรัทธาแบบนั้นศรัทธาที่พุทธเจ้าท่านหมายถึงก็เป็นวิชาที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ได้ประกอบด้วยสี่หลักเลยกันหนึ่งต้องเชื่อกต้ังการเชื่อการกระทำของเราเองว่า ชีวิตเนี่ยไม่มีใครบันดาลหรอกไม่มีพระเจ้าบันดาลไม่มีที่ไหนบันดาลคือกรรมบันดาลการกระทาของเราเองบันดาลชีวิตให้เราเป็นไปต้องเชื่อหลักการอันนี้ไม่ได้ไปเชื่ออองอทรงเทพหรือพระเจ้าหรือผู้บันดาลที่ไหนแต่กรรมเป็นตัวบันดาลชีวิตเราให้เป็นไปอันที่สองเชื่อว่ากรรมที่เราทำเนี่ยต้องมีผลแน่นอ น, นทําดีต้องดีทํา ไม่ดีต้องไม่ดีแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอันที่สมต้องยอมรับผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเราจะไปบุยไปบ่ายไปส่งต่อให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้ไปขอร้องให้คนอื่นมารับกรรมแทนเราไม่ได้เราต้องเป็นผู้รับเองประการที่สามต้องเชื่อนั้นประการที่สเชื่อว่ากรรมนี้ต้องมีต้องทําตามคําแนะนําของผู้ชีน้นํา ให้ถูกต้องเราถึงจะหมดกรรมได้ว่ากรรมนี้ถึงมีผลแต่สามารถที่จะแก้ไขได้กรรมนี้แก้ไขได้นีอันที่สี่เรียว่าตถาคตผูธิส่ัทธาตามภาษาแล้วกรรมสัทธากรรมสกัดวิปากศรัทธากรรมสกัดทศธาและกรรมตถาคตผูธิส่ศรัทธาในทั้ง4ประการเนี่ยต้องเชื่อมั่นในสประการเนี่ยประการที่หนึ่งเชื่อการกระทําของตัวเอง ประการที่สองเชื่อว่าการกระทำของเราไม่ว่าดีหรือไม่ดีมีผลแน่นอนสามผลเรื่อง ต, ตกลงตัวเราเองสี่เราเลือกที่จะทํากรรมได้และทําที่เลือกที่จะหมดกรรมได้โดยการเชื่อในพระธรรมคตนะอันนี้ต้องเชื่อแบบนี้เรียกว่าเกิดวิชาที่สองขึ้นมาคือศรัทธาให้เชื่อแบบนี้เมื่อแศรัทธาเราถูกต้อง ทังสประการนั้นแล้วเราก็จะเกิดข้อคิดเกิดได้สติเกิดได้สติขึ้นมาว่าเออเราหลงทํากรรมไป้ตั้งนานเพราะเราไม่รู้แต่วันนี้เรารู้ละเราก็จะไม่สร้างกรรมหนักอีกต่อไปเพราะนั้นวิชาที่สี่ท่านใช้คาว่าสติสัมปชัญญะคือได้สติได้คิดภาษาเราเลยมันได้คิดว่าเออเราไม่น่าจะหลงแต่งงานมาตั้งนาน เรื่องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียอีกตั้งตลอดชีวิตคือเรื่องว่าเราไม่น่าจะหลงทำอัอนนี้เลยไม่น่าจะหลงไปทางนั้นเลยเนี่ยเราจะได้คิดแบบเนี้หรือเราไม่น่าจะอยู่โสดเลยเพิ่งได้คิดเราหน่าจะแต่งงานตั้งนานไอ้ฟังเนี้นะเมื่อกี้ได้คิดแบบไหนก็เราแต่ในทางถูกทางผิดนะนี่เขาเรียกว่าได้คิดละวิชาที่สวิชาที่สามได้คิดวิชาที่สี่เมื่อได้คิดแล้วถึงจะ พิจารณาในสิ่งการกระทําของตัวเองเรียกว่าโยนิโสมนุิการเขาโยนิใสมนสิการหมายถึงการพิจารณาการกระทําของตัวเองด้วยละเอียดถี่ถ้วนเมื่อก่อนเราไม่เคยพิจารณาการกระทําของตัวเองเลยเราจะพูดก็พูดไปเลยเราจะคิดก็คิดไปเลยเราจะทําก็ทำไปเลยไม่แค่ว่ามันจะถูกจะผิดแต่พอเราคิดแล้วมันเกิดพิจารณาในการพูดการทำการคิดอย่างถี่ถ้วนนี่เรียกว่าโยน่ใสมนุิการเป็นวิชาที่สี่ วิชาที่5เมื่อการทําการพิจารณาการทําพูดคิดของตนจะมีผลดีไม่ดีนั้นต้องเกิดวิชาที่5คือระวังสังวรเรียกว่าอินทรีย์สังวรวิชาที่5เนี่ยคือสํารวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจก่อนที่จะทําจะพูดจะคิดอะไรเนี่ยเราต้องระวัง นะถ้าไม่ระวังแล้วโอกาสพลาดเยอะระวังสิ่งที่ตาเห็นระวังไม่ให้มันยินดียินร้ายไม่ให้ดีใจเสียใจในสิ่งที่ตาเห็นระวังได้แค่ไหนนะระวังหูได้ยินเสียงแล้วเนี่ยเกิดความยินดียิร้ายเนี่ยระวังได้แค่ไหนนะเราฟังแล้ว ย, นยินดีเนี่ยมีผลไปอย่างไรฟังแล้ว ใจเสียใจไม่ดีเนี่ยเราระวังใจได้ไหมเนี่ยระวังตาหูจมูกลิ้นกยระวังแบบนี้วิชาที่หกวิชาที่เจดนั้นเราเมื่อรู้จัาระมัดระวังแล้วเราทําอะไรถูกต้องได้มากขึ้นเรียกว่ากายสุจดิตสาเกิดกายสุจดิตสคือหมายของระวังทำ เรื่องทางกายการกระทำของเราถูกต้องขึ้นหมายถึงศีลการทําทางวาจาได้ถูกต้องพูดได้ถูกต้องมากขึ้นหมายถึงว่าเว้นจากวาจาทั้ง4ี่ประเภทและการกระทําทางจิตได้ถูกต้องสะอาดมากขึ้นคือไม่เห็นผิดไม่ไม่เห็นผิดไม่โลภหรือไม่มีความโมบอยากได้ไม่เบียดเบียนคนอื่น เนี่ยลักษณะอย่านี้เรียกว่าวิชาที่ทอะไรวิชาที่เจดใช่ไหมวิชาที่เจดวิชาที่8ดเมื่อทํากายว่ารู้จักทํากายวาจาใจให้สะอาดเป็นแล้วเหมาะที่จะเจริญสติปัญาน่เป็นวิชาที่แปดนะเมื่อเจริญสติปัญสี่แล้วอย่างถูกต้องเนี่ยถูกรึผิดมาอยู่ที่ว่าวิชาที่9ว่า เป็นสามพทธชงไหมห า, าพุทธชงเจตต้องถ้าหาสติปัฏฐานสีไม่ถูกมันจะไม่เกิดพุทธชงเจตแต่ถ้าจเจริญสติปัฏฐาน4สีส่ถูกต้องเกิดพุทธชงเจตขึ้นม า, าวิชาที่9ก้ากัมกรอรมาคองคปดนะถ้าสามพทธชงเจตต้องไปตามเกิดอริมรมาคองคปดโดยทางนี้ และวิชาที่สิบคือก็คือวิมุตต์และวิชาและวิมุตต์สิบวิชานี่แหละถึงจะทำให้เราไปสู่ทางที่ถูกต้องได้นี่องค์ประกอบแม้ว่ามันจะดูเป็นหลักวิชาเกินไปแต่ว่าอันนี้คือป้ายบอกทางป้ายที่หนึ่งนะคุณต้องไปอันนี้ป้ายที่สองในทางเดินทางมันแยกมันเยอะถ้าหากว่ามีป้ายบอกทางเนี่ยเราแยกผิดแยกถูก สมัยหนึ่งมาไปปี2องส อ, งาสองามาไปจำพรรษาตอนนั้นเพิ่งปฏิบัติใหม่ๆไปจำพรรษาอยู่ที่วัดพาราชจังหวัดเชียงใหม่ทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพนะไปเจอที่ที่หนึ่งที่วัดดอยปุยคือมันห่างจากวัดพาราชประมาณ20กิโลเนี่ยเราก็อยากจะไปปฏิบัติที่นั่นแต่เราอาธิษฐานจำพรรษาด้วยพราราชแล้วทําไงก็เลยสัตตหะไปเอา ตั้งแต่หนึ่งคถึง14บสีค่าเนี่ยตั้งแต่หนึ่งคถึง7ค่า เ, เราไปปฏิบัติที่โน้นอาแปค่มากลับมาพอ9้าค่ไปอี14ก14บ่ค่กลับมาเดินอย่อย่างเงี้ยทีนี้มันช่วงแรกเนี่ยมันไม่เคยไอตอนที่เรานั่งเราเราไปแล้วนั่งรถสองแถวไปจากหาลาดไป วัดโดยปุยเนี่ยหูทางยากมากเลยจากภูพิงไปไปหาวัดไอ้ตรงนั้นก็เลยวัดโอยปุ ย, เ, ยเป็นทางขึ้นเขาทางเละทางลมแต่นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวบ้านแมวเนี่ยทีนี้เราก็อาศัยรถไปตอนไปกลัวจะไม่ทันแต่นมีอยู่วันหนึ่งตอนกลับเนี่ยมันไม่มีรถแต่ต้องรีบมาให้ทันส5บห้าำ ต, ต้องมาลงอุโบสถ ต้องมาเย็นวันที่สิบสี่ค่ำเดินทางลัดมาถ้าเดินตามทางมันยี่สิกิโลเนี่ยไม่ไหวแน่มันจะค่าซะก่อนเขาบอกมันมีทางลัดเนี่ยจากว่าโดยปุยลงไปหาพระราดเดินตัดเขาตรงนี้เลยไอ้เราก็ไปไปไอ้ช่วงที่มันยังมีคนเดินทางอยู่ดังนั้นก็ถามเขาว่าออทางไปวัดพระราดตัดไปทางไหนเขาก็บอก แต่ไปถึงกลางทางเนี่ยมันไปสีแยกให้แยกมันไม่มีใครที่จะถามเลยตัดสินใจเพราะทางเราไม่เคยไปมันไปทั้งหลายแยกนี่จะไปทางไหนเนี่ยตัดสินใจไปทางนี้แหละมันเตลิดขึ้นไปเขาอีกลูกหนึ่งไปถามไปเจอคนเฮืองน้าอันนี้จะไปผ่าไม่ได้ไปพระรา้องไปทางนูนงน้นไงราชองคไม่ได้ต้องไปต้นเริ่มทุนใหม่เดิมท่นใหม่เขาไปทางนี้เราก็ไป ไปเจอทางข้างหน้าแยกอีกสามแยกเอาจะไปทางไหนก็ไม่มีคนที่จะถามถ้าตัดสินใจไปไปอีกเขาอีกลูกหนึ่งไปเจอฝนมาทางนี้ไปไม่ใช่ไปย้อนอีกโอ้โหกล่าจะมาถึงวัดพาราดได้นี่หหแทบตายเปียกมาลอกมาแลกหมดเลยฝนก็ตกมืดก็มืดดูเห็นไหมอันนี้คือทางที่เราไม่เคยไปเนี่ย ถ้าแม้เจอกระดมิตธะแล้วไปไม่ถูกเพราะในการเดินทางมันมีทางแยกเยอะมากเลยในการปฏิบัติของเราเนี่ยเราไปเจอวิธีปฏิบัติเยอะมากเลยไปทางนี้ก็บอกว่าพุทโธดีไปทางนั้นก็บอกว่าหนอดีไปทางนู้นก็บอกว่าสัมมาหังดีไปทางนู้นก็บอกว่าอน า, านาปนาสติดีไปทางนู้นก็บอกว่าเพ่งกสินดีเนะี่ยเราจะไปทางไหนอ่ะนี่คือทางแยกที่เราจะต้องเจอ เอาไปทางนี้บอกเคลื่อนไหวดีเราก็เคลื่อนไหวอ่ะที่นี้พอเราลงไปแล้วใครจะบอกเราถ้าไม่เจอกิริยามิตรครูบาอาจารย์บอกทางแม้เจอกระ ย, ยับคือวันบอกทางแล้วถ้าเราตัดสินใจผิดไปเจอข้างหน้าอนะเอาอีกนะดังนั้นในสายปฏิบัติแต่และสายเนี่ยถ้าหากว่าวิธีใดมีกิริยามิตรหาง่ายแล้วก็บอกได้ถูกนะเราปลอดภัยนะ มาเคยปฏิบัติแบบหนอแบบนับลมหายใจมาเนี่ยมีกยายาณมิตรคือครูบาอาจารย์ก็จริงแต่ว่าเราไม่แยบคายเองเราต้องถามบ่อยๆที่ท่านไม่มีเวลาให้เราจะต้องถามบ่อยๆเรากายาณมิตรนอกจากตัวอาจารย์ท่านเองแล้วครูบาอาจารย์อื่นก็ไม่สามารถจะบอกได้นี่พอมันเจอวิธีการเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนนอกจากเจอหลวงพ่อเทียนแล้วเวลาถามทีไรนั้นท่านบอกได้ละเอียดชัดเจน แล้วก็ครูบาอาจารย์ในสายงานขึ้นไหวในมีเยอะแล้วครูบาอาจารย์ม า, มาเจอหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อบุญธรร ม, ารมา อ, อาจารย์มหาบุญทองอาจารย์ด้อาจารย์ทองพวกนี้เป็นกเระยะมิตรได้ก็เลยถามท่านเหล่านี้บ่อยๆเพราะเราไม่ฉลาดก็ต้องอาศัยถามบ่อยๆก็เลยม า, าคําทางมาเรื่อยๆจนถึงเนี้ยดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องกเระยนามิตรนี่นะเรื่องสําคัญแม้เจอแล้วก็ตามไม่ใช่ว่าเราจะพึ่งได้ทุกทุกท่านไป ว่าท่านละเอียดละอ่อแค่ไหนแล้วเราจะเข้าใจในภาษาท่านได้แค่ไหนนะดังนั้นในต้นทางกริยานามิตรที่ทําให้เราเกิดศรัทธาเพราะเหตุไรกริยามิตรหรือครูบาอาจารย์หรือกริยาสหายทําให้เกิดศรัทธาเพราะท่านจะให้ปัญญาสมประการถ้ากริยานามิตรคนไหนท่านใดไม่ให้ปัญญา ไม่ให้เราเกิดปัญญาสามประการเราก็ศรัทธาไม่ได้เพราะศรัทธาในพุทธศาสนาที่จะไปสู่นี้ต้องเกิดจากปัญญาไม่ใช่เกิดการโฆษณาชวนเชื่อนะต้องเกิดจากปัญญา3าประการ 1. ได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุดะมยปัญญาสองเราสามารถเข้าใจในคําชี้แจงนั้นได้เกิดจินตามยจปัญญาสาเราสามารถนํา ทางที่ท่านชี้และเราเข้าใจนี่ไปปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็ภาวนามยปัญญาเพราะได้เกิดปัญญาสามประการนี้เราจึงเกิดศรัทธานั้นในตัวพุทธศาสนาที่จะระดับอริยมรรคแล้วเนี่ยต้องเกิดศรัทธาที่เกิดจากปัญญาเท่านั้นไม่ใช่ศรัทธาอย่างทั่วไปที่ได้กล่าวเบื้องต้นปัญญาศรัทธาเกิดจากดูแล้วเพราะหลักที่จะทำให้เกิดศรัทธาสประการใช่ไหม หนลูปปรประมาณิกาคนนี้ลูกเข้าท่าสง่างามน่าจะเป็นผู้รู้น่าจะเป็นผูผู้รู้ธรรมน่าจะเป็นผู้เข้าใจธรรมเกิดศรัทธาออย่างนี้ถูกต้องไหม อ, อันที่สองลูขับประมาณิกาโอ้องนี้ปฏิบัติแล้วดูสิว่าเคร่งครัดจริงจังมักน้อยสันโดษ สม่งเสบงชจีวรไม่รู้หลารู้แล้วเศร้ามองอการเป็นอยู่สม า, าวัดปฏิบัติหน้าเลื่อมใสเรียวกว่ารูครับปรมมานิกาโอ้องค์นี้น่าจะเป็นพระจริงเกิดความเลื่อมใสอันนี้เราจะเกิดตรงนี้อ่าใช่หรือไม่ใช่ไปพิจารณาอันที่สามโคสัปปามานิกาโอ้องค์นี้แสดงธรรมดีเหลือเกินเพราะเหลือเกินฟังแล้ว สนุกสนานโหสัโหสเบแปลว่าเสียงเสียงดีเหลือเกินสำนวนไพเราะพ่อ พ, อพิงเกิดความเรื่อมใสถูกต้องหรือไม่ให้พิจารณาประการที่สี่ธรรมปปมานิกาเกิดความเชื่อมั่นในธรรมในสิ่งที่ท่านสอนนะเชื่อมั่นในในคำสอนขเดธรรมะไพเราะธรรมะดูแล้วฟังแล้วเข้าใจง่ายฟังแล้วนะ่าเห็นทางทะลุผูกพง ทั้งศรัทธาสี่ประการเนี่ยศรัทธาในที่ถูกต้องที่สุดท่านให้ไปเลือกมาหนึ่งนะสะศรัทธาในรูปศรัทธาในความเศร้ามองสันโดษศรัทธาในาเสียงที่ไพเราะพ่อพิงของท่านศรัทธาในธรรมะปฏิบัติอันไหนที่จะทำให้เกิดปัญญาเข้าไปพิจารณาเอาดังนั้นเมื่อเกิด ปัญญาแล้วเกิดศรัทธาและศรัทธานั้นต้องทําให้เกิดองค์ประกอบออกมาได้ด้วยคือทําให้คิดได้ที่กล่ามาเมาื่อกี้ถ้าศรัทธาใดที่เชื่อแล้วทําให้เราไม่ได้สติสัมปชัญญะทําให้เราคิดไม่ได้ทําให้เราตั้งไม่ไม่ได้คิดอ่ะเพราะถ้าเราได้คิดแล้วเราคงไม่ทุกอย่างเงี้ยแต่ที่เราทุกอย่างเงี้ยเพราะเรายังไม่ได้คิดคือยังคิดไม่ถูกอ่ะยังไปไม่ตรงทางอ่ะแต่คําว่าได้คิดหมายความว่าเริ่มไปตรงทางแล้ว ได้สติโอ้ยนี่ได้สติแล้วหายเมสังเมาใช่ไหมที่เราพูดกันนะโอ้มันได้สติแล้วไอ้นี่มันรักกันมาศณสนามันหลงกันมาศณะตัวนี้มันได้สติมันรู้ใครเป็นใครหมันก่อนไอ้มันคนที่มันหลงกันใช่ไหมคิดว่าเขาดีเขาว่าถูกพอหลงเข้าไปตั้งนานแล้วถึงจะรู้ว่าโอ้นี่มันเส่วมันเสียอย่างเงี้ยกูจะรู้กูจะได้คิดนะมันก็เกือบสายละกูได้คิดมันก็เลิกอย่างเี้เป็นต้นหรือก็ได้คิดว่าโอ้ยนี่การติดยาเสพติไม่ดีพอได้คิดมันก็เลิกยาได้ เลิกสูบบุหรี่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันได้คิดแล้วเออมันสิ่งที่เสพติดเนี่ยมันชั่วมันเสียนะนะหรือวิธีที่เราสมัครฐานปฏิบัติตัวเนี้ยเราเพิ่งได้คิดว่ามันไปทางไม่ถูกเราตั้งต้นปฏิบัติใหม่อะไรเนี้ยควจะได้คิดเนี่ยมันจะต้องเกิดตัวศรัทธาแล้วเกิดปัญญาเสีก่อนมันจึงจะได้ต้นทางใหม่นะแล้วต่อมาเมื่อได้คิดแล้วเป็นไงอ่ารู้จักเลือก เอียดขึ้นทีทวนขึ้นทําอะไรก็พิจารณาไม่ไม่วุ่วายไม่ตัดสินใจรวดเร็วเหมือนเมื่อก่อนมีการหาองค์ประกอบมีการหาข้อมูลมีการพิจารณาองค์ประกอบเรื่องโยนิสุมนานสิการน อ, องค์ประกอบที่สใช่ไหมอันนี้แจงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งน ะ, นะแล้วก็เมื่ อ, อหารายละเอียดได้ครบถ้วนแล้วอย่างสมัยนี้ใช่ไหมมีข้อมูลเยอ ะ, อะ วันเช้านี่เขาส่งไอ้เรื่องพยากรณ์อากาศมาว่าพายุจะถล่มเมืองไทยสามสิบี่จังหวัดนะโอ้โหภาคนี้เท่านั้นจังหวัดภาคนี้แล้วจังหวัดอามาก็ถามว่าข้อมูลนี้คุณออกมาจากไหนแล้วคุณส่งไปสิมสีสุมาคุมาตกใจขึ้นมาคุณเป็นบาปนะคุณไปหาที่ไปที่มาให้แน่นอนนะัก็ <c oughs> <c oughs> เลยคูณไปนะนี่เพื่อนผมอยู่ที่ทํางานอยู่ที่ขุมอุตุว่างั้นอ้าว กูนปรหารละมายืนยันให้ชัดกว่า น, นี้เนะี่ยสักพักนี้ขูที่จังหวัดตากหลยเข้ามาบอกว่าเนี่ยท้องฟ้าเริ่มคล้มแล้วก็ลมพัดทะลุเข้าไปที่พมา่าบ้านเรือนถล่มอะลายตายไปส0สิคนแล้วหลวงพ่อตอนนี้ว่างออคือแสดงว่ามันมีเขานะที่จะเข้านะ่ยแต่มันจะครบ30มีจังหวัดหรือเปล่า30มสว่าครึ่งประเทศเยนะมันจะ แต่ถ้าเกิดว่าประเทศไทยเราว่าบุญญาวาสนาดีแทนที่จะเข้ามงไทยมันทะลุปไปข้ามไปมามันอาจจะเป็นได้แเราก็นึกไปอย่างนี้นะเอออันนี้เห็นไหมข้อมูลบางทีส่งกันชุมสี่ห้าไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มันมีโอกาสที่จะทําให้คนอื่นตกใจบางทีก็ะละเมิดลิขสิทธิ์อะไรอ่างๆที่ว่านี่ใช่ไหมนี่เหมือนกันเกี่ยวกับข้อมูลโยนิโสมนุษย์การทุกวันนี้มันสื่อมันก้าวหน้าการจะเชื่ออะไรนี่เราสามารถค้นหาที่ไปที่มาได้ เหมือนกันทุกว น, นี้อาจารย์สอนถูกสอนผิดเราสามารถหาที่ไปที่มาได้ว่าอาจารย์องค์นี้มั่วหรือเปล่าคลิกเข้าไปในกูเกิลไปหาหลักฐานนะใช่หรือเปล่านี่เรามีโยนิสูรมนุิยการปัจจุบันพิสูจน์ได้เมื่อมัน่นใจญย่างนี้ปั๊บเราก็องเอาไปทําปรากฏว่าโยนิสูมนุิการทําให้เกิดอะไรนะที่ว่าเมื่อกี้โยนิสูรมนุษการทําให้เกิดอะไรต่อมาทําให้เรารู้จักระวัง ใช่ไหมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละครั้งเราไปเราจะทานอาหารเนี่ยเราเริ่มระวังแล้วใช่ไหมอร่อยมากผมไม่เคยดีเอาน้ําเทใส่น่อยนี่งผมไม่ใช่โอ้ไม่อร่อยเอาน้ําปลามาให้หน้อยนี่นี่ชักชักคิดละที่เนี้ยระวังลิน้นระวังตาหูจมูกลิ้นกายอะจะหลับจะนอนเมื่อก่อนจะหลับตรงไหนจะนอนตรงไหนไม่ต้องเรามาระวังละเดี๋ยวนี้เรามาระวังวการหลับการนอ น, นอย่างนี้เป็นต้น หรือแม้กระทั่งที่จะไปเสพสัมผัสความอบอุ่นความสบายโอ้นอนคนเดียวไม่สบายต้องหาเพื่อนมานอนด้วยเงี้ยก็ต้องเกิดระมัดระวังได้ใช่ไหมหาเพื่อนแบบไหนเื อ, อนอนคนเดียวสบายกว่านอนสอคนมันเกิดการระมัดระวังขึ้นมาแล้วและแต่เรื่องไม่แต่เรื่องที่คิดนะเมื่อก่อนนี้จับเรื่องมาก็คิดทั้งนั้นเลยอะไรเข้ามาใส่ใจเราคิดหมดแต่พอได้โยนิสุมนัชการมันรู้จักเลือกคิดโอ้เรื่องนี้ไม่น่าจะคิดทิ้งไปเสียเวลารู้จักเลือก อ่าเออเรื่องนี้ถึงจะดีแต่มันมจาเป็นต้องใช้ขนานี้ไม่จำเป็นต้องคิดทิ้งไปก่อนรู้จากแม้แต่เรื่องนี้ก็รู้จกักเรื่องที่จะคิดเมื่อก่อนเนอะอะไรวมื่อเรื่องดีเรื่องชั่วเข้าไปสู่ในสนามจิตของฉันฉันคิดได้หมดเพราะไม่ไม่เสียเงินเสียทองแต่เดี๋ยวนี้มันรู้ว่าอ๋อความคิดเป็นพลังงานอย่างหนึ่งใช้มากไม่ได้ใช้มากมันหมดอ๋อไอ้นี้สิ้นคิดเราพูดใช่ไหมแสดงมันไม่มีความคิดไว้คิดเรื่องอื่นหมดไอ้นี้สิ้นคิดหมายความว่าคือไม่มีปัญญา การคิดแต่ละครั้งความคิดเป็นพลังงานอันหนึง่งเพราะนั้นคุณจะใช้แบบชุลลุชุลั ย, ยไม่ได้คุณต้องเลือกใชแ้แต่เมื่อก่อนเราหมดพลังบดกําลังใจไม่มีกําลังใจเพราะเราคิดมากเกินไปมันมันเสียพลังคิดมาเสียพลังมันรู้จักเลือกแหลยดัง น, นั้นเองเราก็รู้จักคิดรู้จักเลือกที่จะคิด เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะคิดแต่ไม่จำเป็นต้องใช้คณิตไม่ต้องคิดก็ได้เรื่องบงเรื่องเรื่องอยากจะพูดเรื่องนี้พิจารณาแล้วไม่จำเป็นต้องพูดเงียบไปก็ได้แต่เมื่อก่อนเราไม่รู้อะไรอยากจะพูดก็พูดเลยดูไม่ดูในสถานการณ์น่าจะพูดไหตรงนี้มันที่ปฏิบัติน่าจะต้องมาพูดกันแถวนี้ไ้ยเราพูดหนึ่งนะมันกระทบสองสามสีนะมันก็เกิดพิจารณาขึ้นมาเกิดการระมัดระวังขึ้นมา จะเข้ามาสถานที่ตรงนี้จะทําเสียงให้เอะวิวายไม่ถูกนะเพราะว่าคนอื่นเขากำลังปฏิบัติอยู่คนอื่นเขาก็ระวังจิตเขาอยู่ไอการเราทําเสียงคนเดียวนี้ไม่น่าจะถูกนะมันเกิดการพิจารณาระหว่างสังวรขึ้นมานี่เขาเรียกว่าอินทรีย์สังวร น, นะแล้วอันต่อมาเมื่อเกิดระวังอินทรียสังวรเป็นแล้วเป็นไงเรามีการทําถูกอะไรถูกต้องได้มากขึ้นเดียกายสิริสจะพูดอะไรก็รู้สึก ระวังแล้วก็เลือกคําพูดที่ถูกต้องมากขึ้นเมื่อก่อนไม่ต้องไงฉันอยากจะพูดก็พูดเลยไม่รู้ว่าคำพูดพูดไปแล้วมันจะไปกระทบใครถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่จําเป็นหรือไม่จําเป็นไม่ได้พิจารณาแต่หลังจากที่ได้ระวังสังวรแล้วมีการกันกองคําพูดกันกองสิ่งที่จะคิดกันกองสิ่งที่จะทํารายละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นเพราะนั้นโอกาสที่จะพูดผิดทําผิดคิดผิดก็มีน้อยละกายก็สุจิติวชีสุจิตมนโนุสุจิติเกิดขึ้นเมื่อรู้จัก การกองพิจารณาตัวเองเป็นก็เหมาะที่จะเจริญสติปัฏฐานสีได้เร็วนะฮะเร็วอย่างที่เราสวดหรือทำมานี่แหละหรือว่าเจริญสติปัฏฐานสีได้ถูกก็รู้จักสมถาวิปัสนาอ๋อว่าทําแบบนี้เป็นสมถะแบบแบบนี้วิปัสนาทําที่เกี่ยวข้องกับรูปเป็นสมถะที่เกี่ยวข้องกับนามเป็นวิปัสนาเกี่ยวข้องกับรูปนามเป็นสมถะเกี่ยวข้องกับนามรูปเป็นวิปัสนารู้จักแยกแยะ อ๋อรู้แยกอันนี้ความรู้สึกทางกายไปอย่างนี้นะความรู้สึกทางใจไปอย่างนี้นะรู้จักแยกๆเวลากายมันรู้สึกเวลาใจมันรู้สึกเป็นยังไงกายกับใจมันทําให้เกิดความรู้สึกมีเอฟเฟกต่อกันอย่างไรรู้จักสมถะและวิปัสสนาล้เสร็จแล้วพอรู้จักอย่างนี้ปั๊บมันก็เกิดสติสัมผัสชงไม่ใช่สติประธานแล้วนี่สติสัมผัสชงทําให้เราได้ตื่นตัวรู้ตัวด้วยตนเอง เมื่อก่อนเราจะได้สติต้องอาศัยคนอื่นเตือนใช่ไหมเตือนสติแต่เดี๋ยวนี้เราเกิดเตือนตัวเองได้รู้ขึ้นมาเองเลยเราเตือนเตือนตัวเองได้แต่ในสติปัฏฐานอยู่ในขั้นฝึกแต่พอเป็นสติสัมโพชฌงมันรู้ของมันเองทีนี้ฝึกจนรู้รู้สึกตัวเองอรู้ได้เอง เมื่อก่อนต้องคอยนึกต้องคอยคิดต้องคอยให้คนอื่นเตือนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนึกคิดไม่คน <spielt> อืนน่นเตือนมันเกิดรู้สึกขึ้นมาอ่ออันนี้เข้าทานนี้ไม่เข้าท่าอันนี้สุขอันนี้ทุกข์อันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่มันเกิดสติสัมโัสชงขึ้นมาจะเกิดวิจธรรมะวิจแยกสัมผัสชง์ที่เรากำลังทำกันอยู่ว่าเห็นความจริงของชีวิตของตัวเองเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเลยอ่ามันหายใจิอย่างไรนึกแค่ไหนตื่นแค่ไหนไม่เคยเห็นวันหนึ่งพับตาขึ้นแ ล, ล้วลงรู้สึกยังไม่เคยเห็น กินข้าวกินน้ําเมื่อก่อนอร่อยไม่อร่อยอย่างไรไม่เคยเอาแต่อร่อยไปหลักแต่ตามร่างกายมันเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนมันลึกยังไงมันตื้นยังไงไม่เคยเห็นแต่เดี๋ยวนี้มันเกิดเห็นขึ้นมานี่คานมะวิจัยย่าสำพูนทให้เกิดผลตัวนั้นนี่เขาเรียกว่าเกิดตัวสติปัฏฐานสี่ตัวสมำพูนชงแล้วจิตก็จะเดินไปสู่อริยมรรคโดยโดยธรรมชาติของมันความเห็นทุกถูกต้องขึ้นนะเป็นสัมมาทิฏฐิละ ตัวเมื่อเราได้สมมาทิฏฐิที่ถูกต้องปั๊บหมายถึงว่าเรารู้จักอริยสัจเพราะตัว อ, อริมรักเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่สมมาทิฏฐิถ้าเราได้สมมาทิทฐิถูกต้องอย่างเดียวเนี่ยมรักตัวอื่นไม่ต้องพูดถึงถูกหมดเหมือนรถไฟถ้าขบวนหน้ามันไปถูกทางแล้วไอ้โบกี้ข้างหลังมันยมีกี่โบกี้ก็ตามตามกันไปหมดนะเหมือนกันในอริมรักมีองค์แปดถ้าเราเกิดความคิด เห็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยอีก8อีก7ขบวนตามมาถูกต้องนะเพราะอะไรเพราะสมมาทิฏฐิมันหมายถึงเห็นตามอริยสัจสี่นะสมาธิฏิคืออะไรเล่าคือทุกเหตุให้เกิดทุกการดับทุกวิธีการดับทุกนี่คือสมาธิฏฐินั่นหมายความว่าผู้ที่เป็นสมาธิฏฐิที่ถูกต้องแท้จริงนั้นต้องเห็นอริยสัจนะอริยสัจสี่มีอะไรทุกสมุทัยนิโรธมากทุกกสสมุทัยเป็นอะไร ทุกขสมุทัยก็คือกายนี่โรดกามักมาอยู่กับใจเพราะฉะนั้นสมุทัยกับทุกขทุกดูนั้นเกิดกับกายเรียกว่าทุกขเวทนาแต่พอเราสกัดกัน้นทุกเวทนาทางกายไม่ได้ไปสู่จิตเป็นสมุ ท, ทยัยความทุกขที่เข้าไปสู่จิตเป็นสมุ ท, ทยัยทีนี้เราก็มาเจริญมักดิ เมื่อเจริญสมถาวิปัสนาที่กล่าวไปเมื่อกี้เมื่อเจริญเสถ่ามเราได้สติสัมโพชฌงได้สติปัญฐานถูกต้องปั๊บมันเข้าไปแก้สมุทัยได้ถูกต้องปรากฏวันนี้โรดเกิดขึ้นปั๊บการดับทุกข์กัปรากฏอ๋ออันนี้เป็นตัวนามนะจิตและสมุทัยเป็นนามทุกจิตและนิโรธอนนิโรธกับมรรคเป็นนามทุกข์กับสมุทัยเป็นรูปอ๋อลู ร, รูปรูปนามที่ถูกต้องคือรู้อันนี้จะ ส, สีนั่นเอง รวมวิริยสีเหลือรูปกับน้ําเราก็มาดูรูปรูน้ำให้ถูกต้องก็รู้วิรัยสีเข้าใจเมื่อเป็นอย่างนี้ปับ๊บเราก็เกิดวิชาและวิมุตติอ่าหมายความว่าจิตของเราก็หลุดพ้นจากความคิดความไม่คิดความง่วงความไม่ง่วงความชอบความไม่ชอบมันพ้นออกมาได้คือหมายความว่าจิตไม่เข้าไปในอาการนั้นจิตไม่เข้าไปในความคิดเรื่องนั้นๆเลยว่าหลุดพ้นออกมา แต่เราจะหลุดพ้นมีสองระดับหนึ่งหลุดพ้นแบบถาวรสองหลุดพ้นชั่วคราวฉันใช้คําว่าตังขณิกะวิมุตติสมุเฉทเทวิมุตติวิขัมภะนาวิมุตตินะวิขัมภะนาวิมุตติแล้วก็สมุเฉทเทวิมุตติเราวิมุตติชั่วคราวหรือวิมุตติแบบเด็ดขาดทวนแรกนี้เราสติปัญญายนี่ไม่สมบูรณ์เราก็มีมุตติชั่วคราวไปก่อนพ้นไปเรื่องๆไปก่อน เรายังง่วงวันนี้มันพ้นไม่ได้พุ่งนี้มันอาจจะพ้นวันนี้พ้นง่วงได้ม uh, ันผุ้งน an hey ี điều, yes, rain, ้มันมาอีกมันชั่วคราวมันไปไปมาเออวันนี้มันคิดไม่ดีอ้าวผู้นี้มันพ้นไปวันตอนนี้มันคิดดีออกชั่วพักมันออกจากความคิดไม่ดีได้เนี่ยมันก็เข้าออกอย่างนี้เขาเรียกว่าพ้นชั่วคราววิคัมพีนะวิคัมพนะวิมุตติเนี่ยะอันนั้นพ้นด้วยการกดการข่มก็ได้อะไรงับก็ได้แต่ว่ามันชั่วคราว แต่พอมันเป็นสมุเฉนหมายความว่าสติสติปัญญาเราสมบูรณ์สติสัมปชัญญะเราสมบูรณ์ความคิดเข้ามาเนี่ยมันถูกกรองด้วยสติสัมปชัญญะละเอียดยิบเลยเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะเล็ดลอดเข้าไปได้โดยตรงเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากสติสัมปชัญญะ ต, ต้องผ่านอะไรผ่านโยนิสมนรสณศิการผ่านอีศีสังวร ผ่านกายกติสามผ่านสติปัญฐาสี่ผ่านพุทชงเจ็ดผ่านหลายชั้นมากเพราะฉะนั้นตัวความคิดมันก็กลายเป็นปัญญาทุกครั้งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญญาเมื่อก่อนมันเข้ามาเป็นความคิดความคิดกับปัญญาต่างกันยังไงความคิดคือน้ําที่ยังไม่ได้กรองปัญญาคือเหมือนน้าที่กรองแล้วความคิดคือน้ําที่ยังไม่ได้ต้มปัญญาเหมือนน้ําที่ต้มแล้ว ความคิดเปรตเสมือนข้าวเปลือกข้าวสารแต่ปัญญาเปรตเสมือนข้าวสุกที่กินได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี้ความคิดเข้ามาเราก็คิดตามไปหมดนั่นเขาเรียกว่าเป็นของนิบอยู่แต่พอเราเจริญสติแบบนี้แล้วพอความคิดเข้ามาปั๊บเรามีการพิจารณาคันกรองจนขั้ น, นหลายๆขั้นถึงจะเอามาใช้ได้ มาใช้ทางกายก็ถูกต้องมาใช้ทางวาจาที่จะพูดก็ได้ถูกต้องที่จะนำมาคิดก็ทำได้ถูกต้องก็เรียกว่าส ม, มาธิฏินะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงตรัสรับรองว่าสมาธิฏฐิสมาธาสัพพะคู่ขาวปัจจคุงว่าผู้ใดที่เกิดสมาทิฏฐิแบบนี้แล้วจะพ้นจากทุกได้หมดเลยจะพ้นจากทุกทั้งปวงสัพพะคูข่าวปัจะคุงนะดังนั้นเองเมื่อเราเข้าใจงี้เราจะเจริญสติแบบนี้ได้สมบูรณ์ต้องผ่านวิชาถึงสิบวิชา จำได้ไหมวิชาที่หนึ่งคืออะไรการมีวิชาที่สองครูครูเตียยังหาไม่เจอเลยจุดไว้ไหนไม่รู้นะพิกาาใหญ่เลย <laughs> จุดถูกจุดผิดแล้วนะขนาดจุดไว้ยังพิกาาไม่ค่อยเจอไม่ให้จ า, าเอาอย่าไปเขียนไปจุด อมันต้องให้ปรากฏในใจ 2. 2> จําไม่ได้ก็จะต้องไปปฏิบัติให้ได้พ อ, อปฏิบัติได้แล้วมันจําได้เองถ้าปฏิบัติไม่ได้ถึงจําได้สมุดมันก็ใช้ไม่ได้ต้องปฏิบัติแล้วมันจําได้เองถ้าอันไหนที่เราจําได้แต่ใช้ไม่ได้ใช่แล้งว่ายังยังไม่เกิดแต่ถ้ามันจําได้โดยการปฏิบัติได้มันจะไม่ลืมแต่ถ้าเราจําได้จากการปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวมันลืมนึกไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติได้แล้วไม่ลืมนะตอนนั้นใน การปฏิบัติเราต้องอาศัยความจริงรู้แจ้งรู้จริงนะรู้จำรู้จักนี่ยังใช้ไม่ได้นะรู้แจ้งรู้จริงมันก็เห็นสภาวะต่างๆตามความเป็นจริงดังนั้นเมื่อรู้เข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ความผ่อนคลายมันก็เกิดขึ้นอันนี้โยงไปหาประเด็นที่หลวงพ่อตั้งต้นนะชีวิตเมื่อก่อนมันเต็มไปด้วยเกรงก็เครียดความอยากมันทําให้เกิดการเกรงการ ก, กํามหิกเูยี้มันจะเอาปล่อยไม่เป็นวางไม่เป็นมืนกํามจนมือหิกรึเล้ว แต่พอมันเข้าใจว่าความอยากมันทําให้เกิดทุกอยากอะไรหนึ่งอยากจะได้สองได้สมอยากสามไม่ได้สมอยากความอยากก็มีแค่สอย่างใช่หมหนึ่งอยากจะได้เรียกว่าการวัตถนาสองได้สมอยากเรียกว่าพระวัตถนาสามไม่ได้สมอยากเรียกวิภาวะวัตถนาไม่ได้สมอยากเป็นไง รู้สึกผิดหวังนะใช่ไหมใช่ว่า dislike ได้สมอยาก like dislike ด, ด, ดังนั้นเองเราได้สมอยากแล้วก็หลงใช่ถ้าไม่ได้สมอยากล้วก็หลบแล้วก็ผิดหวังนะก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าได้สมอยา ก, ก้กํทำให้นั่นเลยถ้าไม่ได้สมอยา ก, กทิ้งเลย มันก็เลยไม่พอดีองไงนั้นๆเมื่อเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเจอนี้ท่านอุทานขึ้นมาครั้งแรกอย่างแรงเลยนะอเ น, นกชาติสังสารังสันทาวีสังอเนกพิสังขาหาการังคเวสันโดทุฆาชาติปุณาปุนังขหากาลกาติโทสิปุนาเคหังนาคาหาสิสภาเดพาสุกภะคาหะกุตังวิสังคดังวิสังคารคดังดติดานจานหานังขยงมัจฉาท่านอุทานออกมาเลยเลยเป็นภาษาของท่าน เมื่อเราไม่ได้สติจิตของเราในคิดสารพัดเรื่องสระรพัดราวเป็นอเนกอนันตรายชาติจนจําไม่ได้ไีคิดเรื่องอะไรตั้งแต่เกิดมาเนี่ยบทนี้ดูก่อนเจ้าความอยากผู้สร้างเรื่องเราเห็นเจ้าแล้วคงเรือนทั้งหมดของเจ้าระหักเสียแล้วคงเรือนคืออะไรคืออวิชชา ปฏิจสุบาทเป็นคงเรือนทั้งหมดของย่อยอดเรือนแล้วก็ลื้อเสื่อแล้วยอดเรือนคืออะไรคือขันห้าอ่าขันห้าเนี่ยเป็นยอดเรือนคงเรือนคืออวิชาหรือปฏิสุบาททั้งหมดยอดเรือนคือขันห้าเนี่ยลือคือความคิดเนี่ยลือทิ้งได้ความคิดขึ้นมาแต่ละครั้งคือขันห้าปรากฏเนี่ยเกิดมาก็ลื้อทิ้งความคิดอะไรขึ้นมาก็ลิงทิ้งไปก่อนมึงอย่ามา ถ้าจะใช้เอาตัวคินมากรองก่อนถ้าความคิดทุกความคิดจําเป็นเสมอไหมต้องใช้ไม่จําเป็นถ้าจะใช้ทําไงก็ต้องกรองน้ําทุกน้ำไม่ใช่คุณจะกินได้หมดแต่น้ําไหนที่จะกินนั้นต้องสะอาดอย่ายงนี้เป็นเดิมนะนะไม่ใช่ว่าคุณอยากกินน้ํากินไหนก็ได้ไม่ใช่แต่น้ําที่จะกินต้องสะอาดเมื Μ อเห็นคุกความคิดที่คิดถึงมาคุณจะเอาไปพูดไปทําไปคิดตามทุกอย่าไม่ได้แต่การที่จะพูดจะทําคิดตามต้องกรอง แต่เมื่อก่อนเรากลองเหมือนกันแต่กลองไม่ค่อยดีกลองไม่สะอาดกลองแทนที่จะ10ชั้นกรองแค่สมชั้นมันก็ยังเล่นรอนมาดูเอ๊กูว่ากูผูกู ค, คิดดีแล้วในะเรื่องนี้ทําไมมันผิดเนะบางครั้งเราพูดใช่ไหมเอ๊กูว่าคิดดีแล้วนะพูดออกมาทําไมมันผิดอีก็แสดงว่ากลองไม่ดีกลองเสียเนี่ยดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะเกิดการเห็นความสำคัญของความอยากว่ากามาตัญหาเนี่ย อยากจะได้อสองเพราะว่ตัญหาแสวงมหามาจุดได้สาวิเพราะว่าตัญหาได้มาแล้วมันไม่ได้อย่างใจก็เป็นอยู่เงี้ยสมัยก่อนเราไม่มีแฟนเราก็อยากได้แฟนใช่ไหมอสองได้แฟนมาตอนแรกมือถูกใจอยู่ใช่ไหมแต่มามันไม่ถูกใจแล้วเราเปรปัญหาขัดแย้งถกเถียงกันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเราก็ทุกข์ การที่ตอนไม่ได้อยากได้มาเนี่ยขณะที่แสวงหาเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อยากได้เงินแล้วก็แสวงหาเงินในขณะหาเงินเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ถ้าได้เงินมาเป็นไงเป็นสุขเพราะว่าตระหนถ้าเธอเสียเงินไปเป็นไงเป็นทุกข์อีกวิภวตระหนักไม่อยากจะจ่ายมันจําเป็นต้องจ่ายก็จะวนก็อยู่แค่นี้ยอ่ ไม่มีแฟนอยากได้ไดแฟนได้แฟนมาสมใจก็เป็นสุขถ้าไม่สมใจก็เป็นทุกข์ก็จะวนอยู่อย่างเนี้ผู้ทีเจ้าถึงอุทานอ๋อไอ้ตัวนี้เองดูก่อนความอยากผู้สร้างเรื่องเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าจะมาทําสร้างเรื่องให้เราไม่ได้อีกต่อไปอ่าคงเลือนคือเหตุอ่าย่อเลือนคือปัจจัยได้สลัดทิ้งหรือทิ้งแล้ววิสังฆารกระตัง้งจิตตังตงตงตง้งตระหานังขยมัจฉาจิตของเรา เป็นภาวะที่เจ้าจะมาสร้างเรื่องไม่ได้อีกต่อไปและจิตนั้นได้ถึงนิพพานท่านว่าจิตฉันถึงนิพพานคือหมายความว่าหมดเรื่องคำว่านิพพานหมดเรื่องไม่เอาไม่มีไม่เป็นนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเจอแล้วท่านก็เลยอุทาน์อย่างสะใจมากอะ่ะใช่ไดี๋ยวพูดภาษานั่นนะอาใจมากแต่ว่าเป็นคาถาที่มีความหมายมากสําหรับนักปฏิบัติ ว่าจเจาะในเรื่องหยาบอย่างเดียวเรื่องตันหาอย่างเดียวเนี่ยมันไปท้ลุทะลวงไปหมดเลยว่าตันหาเกิดจากอะไรที่มาของตันหาคืออะไรความเผลอและความเพลินใช่ไหมที่เรียกว่าอวิชชาถ้าระวังจะระวังความอยากมันก็ไม่มันก็ไม่ชัดความอยากมันมาจากอะไรความเผลอและความเพลินใช่ไหมเอาเผลอแล้วเพลินเกิดจากอะไร ตายเข้าไปละใกล้ว ค, ความจริงแล้วความเพลอและความเพลินเกิดอะไรความเพลอและความเพลินคนละอย่างนะไม่ใช่อย่างเดียวกันนะความเผลินเกิดจากความที่เราไปติด ส, สบายความเผลอคือที่เราไปติดความไม่สบายไม่สบายแล้วก็ได้เหมือนกันบางคนโอ้โหส้มตำเผ็ดจะได้แต่ชอบกินนะ เราทั้งๆที่ไม่สบายแต่กินได้อย่างมากแลกินได้เยอะ้วยนะทั้งๆที่มันเผ็ดยิ่งเผ็ดยิ่งกินได้อคนยิ่งโกรธยิ่งได้ด่ากันได้เถียงกันสนุกสนานเลยนะยิ่งเขาเรียกพวกซาดิสทั้งหลายเนี่ยิ่งยิ่งทุกยิ่งสู้ยิ่งยิ่งทนยิ่งสู้ใช่ไหมนักมวยที่มันชกกันเก็บตายมันก็สนุกในการที่จะชกกันะเออาะชกกันจนตายก็ยังทําได้ว่ามันเพลินมันเพลิกันนะราะนั้นเรื่องนี้เออ ถ้าหากว่าสบายนะมันเพลินีไม่เซ้นนะแต่ไม่สบายไม่เห็นว่ามันจะเพลินตรงไหนเลยแต่เราโอ้แกงเผ็ดจะได้ไม่เห็นสนุกตรงไห น, นทํำไมคุณกินได้กินเอานะให้พิการณาเดื่องนั้นดังนั้นอันนี้คือขอ้อแท้จริงในชีวิตแต่เรามักจะคิดไม่ถึงอนะเพราะฉะนั้นความอยากเกิดจากความเพลอและความเพลินกามาตัญหาก็ให้เกิดเพลินวิพาทตัญหาก็ให้เกิดเพลอ เป็นด่านหทั้งสองตัวเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าวันนี้ก็คิดว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรในแง่ของปริญญาปฏิบัติก็ไว้แค่นี้พอโดวยวจะจไม่ได้เนาะแล้วก็บุตรปฏิบัติอย่าดื่มการบ้านวันนี้อะไรไปดูเรื่องเผลอเรื่องเพลินให้ซ้ําอีกครั้งกรุณาซ้ําอีกครั้งให้ละเอียดวันก่อนอาจจะไม่ค่อยละเอียดเพราะยังมีการเผลอพูดเผลอคุยกันอยู่ใช่ไหม เมื่อคืนนี้บอกให้ไปนอนหลับเลยยังเพ้อคุยกันอยู่ใช่ไหมตั้งยาวอเพราะฉะนั้นคืนนี้น่าจะเป็นคืนสุดท้ายนะ้าที่จะตัดกันกรองให้มากกว่านี้นะเราจะต้องไปกันรองในการลุกนั่งย่างเดินของเราให้ละเอียดกว่านี้แต่ไม่ใช่ไม่ต้องตั้งใจมากเกินไปนะเอาพอดีพดีถ้าตั้งใจมากเกินไปเดี๋ยวเกิดเครียดขึ้นมาก็ช่วยกันไม่ได้อเอาพอดีพดีเอาเท่าที่รู้สึกได้อก็คงไม่ยากนะ ก็ข อ, อนุมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราจะทําเรื่องการปฏิบัติให้ละเอียดได้แยบคายจนสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราทําและจัดการในสิ่งที่เรารู้เราเห็นว่าสิ่งไในที่มันเป็นไปเพื่อทุกเราก็ออกได้สิ่งนั้นมันเป็นเพื่อไม่ทุกข์แล้วก็สามารถทําได้ด้วยกันทุกคนทุกทานถือ